สัมผัสสยองดวงไฟปริศนากับชายลึกลับเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ผ ม, มาอายุสิบห้าปีเรียนอยู่ชั้นมสาช่วงนั้นผมออกเที่ยวตอนกลางคืนแทบทุกวันเพราะเป็นช่วงปิดเทมอมฤดูดอนจึงไม่ต้องกังวลเรื่องตื่นไปโรงเรียนแต่เช้า การไปเที่ยวในแต่ละครั้งบางทีผมก็ออกไปคนเดียวบางทีก็นัดเพื่อนไปด้วยวันหนึ่งผมกับเพื่อนชวนกันไปเที่ยวในตัวเมืองขอนแก่นผมขับรถไปโดยมีเพื่อนนั่งค้างๆการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆพวกเราถึงตัวเมืองขอนแก่นและเที่ยวกันจนดึกเห็นว่าควรจะกลับได้แล้ว จึงขึ้นรถมุ่งหน้ากลับบ้านถนนยามดึกสงัดไม่มีรถพลุกพานเหมือนตอนหัวคำ่ำผมขับรถไปจนใกล้จะออกจากตัวเมืองขอนแก่นขณะที่กำลังมองถนนหนทางไปเรื่อยๆผมก็เห็นดวงไฟสีสม้มซึ่งมีขนาดใหญ่มากมันลอยอยู่ตรงทางข้างหน้าไกลๆเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆก็เห็นเหมือนกัน พวกเราต่างคัดกันเดา ว, ว่าดวงไฟที่เห็นนั้นเป็นอะไรตอนนั้นผมไม่รู้สึกกลัวสักเท่าไหร่เพราะแสงไฟนั้นอยู่ไกลจะพวกผมมากจนกระทั่งดวงไฟนั้นลอยใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมกับเพื่อนคิดว่ามันไม่ใช่ดวงไฟธรรมดาอย่างแน่นอนเหมือนกับว่าดวงไฟจะเคลื่อนตรงมาที่พวกเราด้วยความตกใจผมจึงรีบเรียวหลด โดยไม่ทันดูว่าเส้นทางที่ผมเลี้ยวไปเป็นคนละทางกับตอนขามาผมกับเพื่อนไม่รู้จักเส้นทางนี้เลยพยายามมองป้ายข้างถนนเพื่อหาทางกลับบ้านขับไปเรื่อยๆจนเข้าเขตอาเภอหนึ่งซึ่งผมพอจะเดาทางกลับได้แล้วจึงจอดรถที่ปั๊มน้ามันและเข้าไปซื้อของกินในร้านสะดวกซื้อจากนั้น ผมกับเพื่อนก็มานั่งกินกันอยู่หน้าร้านคุยกันไปเรื่อยๆโดยลืมเรื่องที่เจอดวงไฟประหลาดไปเลยนั่งไปสักพักจนเกือบจะตีสองพวกผมจึงชวนกันกลับระหว่างที่กำลังจะเดินไปที่รถก็มีผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีดำขี่รถบิ๊กไบค์สีแดงขาวมาจอดไกลๆแล้วเข้ามาถามพวกเราว่าน้องๆ พุกน้องรู้จักคนชื่อหวานไหมผมตอบไปว่าพวกผมไม่ได้เป็นคนแถวนี้ครับพี่แค่มาเที่ยวเฉยๆที่ผู้ชายคนนั้นก็พยักหน้าแล้วพูดว่าอ๋อแล้วก็เดินกลับไปที่รถหลังจากที่มองตามผู้ชายคนนั้นที่ขี่รถออกไปพวกผมก็เดินกลับไปที่รถของตัวเองพอขับรถออกไปได้สักพักผมคำนวณดู่แล้วว่า ยังเหลือระยะทางอีกประมาณ87กิโลเมตรกว่าจะถึงบ้านซึ่งไกลพอสมควรตอนนั้นผมง่วงมากเพื่อนก็ขับรถไม่เป็นพวกเราจึงไปเปิดห้องพักที่รีสอร์ทแถวนั้นเพื่ออยู่กันก่อนคิดว่าสักตีห้าเมื่อพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วคงเห็นถนนหนทางดีขึ้นแล้วค่อยขับรถกลับบ้านเมื่อได้นอนพักงีบสั้น มันก็ทำให้ผมสดชื่นขึ้นผมและเพื่อนจึงออกเดินทางต่อหลังจากส่งเพื่อนที่บ้านแล้วผมก็ขับรถกลับพอผมถึงบ้านและเปิดประตูลงจากรถก็มีคนรู้จักที่อยู่บ้านไกลๆเดินมาบอกกับผมว่าเห็นผู้ชายขี่รถตามมาแต่ตอนนี้หายไปแล้วผมนึกในใจว่าเขาคงงามเลนเลยถามว่า ผู้ชายคนนั้นใส่เสื้อสีอะไรขี่รถสีอะไรคนแถวบ้านก็บอกว่าใส่เสื้อสีดำขี่รถบิ๊กไบค์สีแดงขาวเมื่อผมได้ฟังก็นึกถึงผู้ชายคนที่เจอในปั๊มน้ามันขึ้นมาทันทีจึงหยิบโทรศัพท์โทรหาเพื่อนบอกว่าเฮ้ยจำพี่คนเมื่อคือนได้เปล่าวะที่มาหาคนชื่อหวานน่ะมีคนบอกว่าเห็นเขาขี่รถตามกูกลับบ้านมาด้วยวะ พอเพื่อนได้ฟังก็อุทานด้วยความตกใจเฮ้ย hey, คนที่ตามมึงกลับบ้านนะ่ะโดนรถพ่วงชนตายคาที่เมื่อตอนห้าทุมแล้วเว้ยรุ่นพี่ที่รู้จักเขาบอกกูเมื่อกี้นี่เองว่าเขาเห็นข่าวอุบัติเหตุบนเส้นทางไปขอนแกน่นเลยโทรมาถามเพราะดูว่าพวกเราไปเที่ยวขอนแก่นมาผมตกใจมากรีบไปเช็คในเว็บไซต์ก็ไปเจอข่าวที่มีคนโดนรถชนจริง รูปผู้ชายที่เห็นในเนื้อข่าวเป็นผู้ชายคนเดียวกันกับที่ผมเจอในปั๊มน้มันตอนใกล้จะตีสองยังไม่น่าเชื่อผมคนลุกไปทั้งตัวรีบชวนเพื่อนไปทำบุญให้กับพี่ผู้ชายคนนั้นขอให้เขาไปสู่สุคติไม่ต้องตามผมกลับบ้านอีกหลวงพ่อเชตาขาด ป้าเสาทำงานอยู่ที่โรงเรียนวัดในอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายเธอทำงานเป็นแม่ครัวอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วป้าเสาจะตื่นแต่เช้ามาทำงานที่โรงเรียนเป็นประจำทุกวันวันหนึ่งที่โรงเรียนมีการจัดปฏิบัติธรรมประจําปีเพราะเป็นช่วงที่สามเณรจะจบการศึกษาป้าเสาก็มาโรงเรียนแต่เช้ามืดเหมือนเช่นเคย เวลาตีสแม่ครัวคนอื่นๆและป้าเสา ร, รวมทั้งหมด6คนก็มาถึงโรงเรียนกันพร้อมหน้าต่างช่วยกันทำงานอย่างขมักขเมนซึ่งงานในครัวจะมีหลวงพ่ออีกท่านหนึ่งมาช่วยดูแลความเรียบร้อยอยู่เป็นประจำขณะที่ป้าเสากํกำลังเดินเข้าไปในห้องครัวป้าเสาก็เห็นพระรูปนั้นนั่งอยู่ที่โตะ๊ะทางฝั่งหนึ่งของห้อง หลวงพ่อหันหน้าไปทางป้าเสาแต่ในตาว่างเปล่านั่งนิ่งไม่ขยับเขยื้อนใดๆป้าเสาเห็นหลวงพ่อก็แปลกใจไม่คิดว่าท่านจะมาแต่เช้ามืดอย่างนี้ป้าเสาจึงเดินเข้าไปถามเพื่อนที่กําลังเตรียมอาหารอยู่ว่าหลวงพ่อมาแล้วเหรอเห็นนั่งอยู่ที่โต้เพื่อนก็ทําหน้าแปลกใจแล้วตอบกับป้าเสาไปว่า ท่านยังไม่ลงจากกุฏิเลยจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงในขณะที่ป้าเสากําลังจะแย้งกลับว่าเห็นท่านนั่งอยู่จริงๆแต่พอหันกลับไปเพื่อจะชี้ให้เพื่อนดูก็ไม่เห็นหลวงพ่อรูปนั้นแล้วเพื่อนป้าเสาจึงบอกว่าสงสัยแกจะตาฝาดไปเองแล้วมัง้งป้าเสาคิดว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดแน่ๆเพราะไฟในห้องก็สว่างดี สามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ชัดเจนป้าเสาสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท, ทั้งทั้งนี่แกเป็นคนจิตแข็งและเคยเห็นเรื่องแปลกๆ แ, แบบนี้มาบ้างแต่ก็ยังไม่ชินสักทีป้าเสาจึงกลับไปทำงานต่อสักพักก็เห็นหลวงพ่อที่แกเจอเมื่อตอนตีสมาดูงานในครัวตามปกติ ปะาสาคิดว่าจะเล่าเรื่องประหลาดที่เพิ่งเจอให้หลวงพ่อฟังดีหรือไม่ใจหนึ่งก็กลัวคนจะหาว่าแช่งทันเพราะทางภาคเหนือถือมาเรื่องเห็นวิญญาณทั้งทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ใจหนึ่งก็อยากเล่าเพราะเป็นห่วงหลวงพ่อสุดท้ายระเสาก็ตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ประหลาดให้หลวงพ่อฟัง ส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านเมื่อป้าสาวเล่าจบแกก็รู้สึกโล่งใจคลายความมืดอัอดฝ่ายหลวงพ่อได้ฟังก็ตั้งสติแล้วเอาเรื่องแปลกนี้ไปถามอาจารย์ที่สู่ขวัญหรือที่คนเหนือเรียกว่าหมอสู่ขวัญถามว่าถ้ามีคนบัตรหักว่าเห็นวิ ญ, ญญาณของตัวท่านเองแบบนี้จะเป็นอย่างไร หมอสู่ขวัญก็ตอบว่าท่านอะชะตาขาดมาสามชั้นเพราะคนเราจะมีชะตาเก้าชั้นเมื่อป้าสาวได้ฟังก็คนลุกในทันทีไม่อยากจะเชื่อว่าแค่ชะตาขาดถึงกับเห็นวิญญาณออกจากร่างได้เลยหลวงพ่อจึงทำพิธีสืบชะตาและต่อชะตาเพราะทันต้องเดินทางด้วยรถยนต์บ่อยครั้ง ป้าสาวเองก็สบายใจด้วยที่ํำงานกับหลวงพ่อมานานก็ไม่อยากให้ท่านเป็นอะไรไปทุกวันนี้ป้าสาวและหลวงพ่อก็ยังทำงานเป็นปกติในโรงเรียนวัดอันแสนสงบแห่งนี้บุรุษปริศนาตอนเปิดเทอม ในห้องเรียนชั้นป .4 ทับหนึ่งครูประจาชั้นกำลังคัดเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่ซึ่งป่านก็ได้รับหน้าที่อันสำคัญนี้หลังจากที่เธอได้รับตำแหน่งหัวหน้าห้องป่านก็เริ่มมีเพื่อนเยอะขึ้นวันหนึ่งขณะที่ปานกาลังกินข้าวกับเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนคนหนึ่งชื่อเข้าสวยก็ถามว่าป่านใครอยู่ข้างหลังแกน่ากลัว ปานคิดว่าเพื่อนนำเลนแต่แล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อเหนือก็พูดเสริมว่านั่นดิตัวโตโตปปานเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาแต่ก็ไม่อยากพูดอะไรจึงกินข้าวต่อวันเสาร์ปานเอามือถือมาถ่ายคลิปเลนให้ข้าวสวยเพราะถ่ายเสร็จก็เปิดเช็คดูแล้วก็ต้องตกใจเพราะเห็นหน้าคนอยู่ข้างหลังพวกเธอ ปานและเพื่อนๆกลัวมากรีบลบคลิปนั้นออกไปในทันทีพอถึงวันอาทิตย์ขณะที่ปานกำลังเล่นกับเพื่อนที่ท่าน้ําสายตาปานก็เหลือไปเห็นตุ๊กตาลอยอยู่แต่ก็ไม่กล้าทําอะไรกับมันตุ๊กตาลอยน้ําดูน่ากลัวทําให้ป่านนึกถึงหน้าคนในคลิปเมื่อวานแต่เธอก็พยายามสลัดความคิดนี้ทิ้งไป เพราะทำให้จิตใจวาวุ่นเสียเปล่าๆวันจันปานก็ไปเรียนตามปกติขณะที่เรียนอยู่นั้นจู่ๆคุณครูก็ถามปานว่าหัวหน้าห้องใครอยู่ข้างหลังเธอนะ่ะแต่พูดยังไม่ทันขาดคำคุณครูก็ตาโตรีบพลุนผ่านออกจากห้องไปทำให้นักเรียนในห้องงงมากเพื่อนๆบางคนจึงมองมาทางปาน แล้วก็รีบหันหน้ากลับไปด้วยท่าทางตกใจกลัวบางคนก็ขอปานไปห้องน้ําแล้วก็รีบวิ่งไปเฉยๆทั้งๆที่ป่านยังไม่ได้อนุญาตเลยพอเลิกเรียนปานก็ไปรับน้องที่โรงเรียนชั้นอนุบาล น, น้องดูกลัวๆทั้งๆที่น้องของป่านเป็นเด็กที่ไม่กลัวอะไรไง่ายๆแต่ปานก็ไม่ได้ถามอะไรจากนั้น ทั้งสองก็มารอคุณตาที่โรงอาหารระหว่างที่รอให้คุณตามารับปานก็พาน้องไปซื้อของกินเหมือนปกติในระหว่างที่เดินไปก็เห็นว่าเด็กๆหลายคนแถวนั้นมองมาที่ปานด้วยสีหน้าหวาดกลัวบางคนน้ำตาคลอเบาบางคนก็กรีดร้องและวิ่งหนีไปปานงงมากแต่ก็ไม่ได้สนใจ แล้วเดินเพื่อจะซื้อของต่อเมื่อปานไปยืนซื้อของกับแม่ค้าก็สังเกตเห็นว่าแม่ค้ามีท่าทีแปลกๆแกหยิบขนมให้โดยที่ไม่ศบตาปานแปลกใจกับท่าทางของคนต่างๆเหล่านั้นแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจึงเดินกลับไปเพื่อรอคุณตาพอคุณตาเมื่อรับกลับบ้านระหว่างที่เดินทางกลับจนถึงบ้าน คุณตาก็ไม่พูดอะไรเลย ท, ทั้งที่ปกติแล้วคุณตาจะชอบคุยเป็นอย่างมากกลางดึกของคืนนั้นปานรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้เวลาเท่าไหร่แล้วเธอหายใจไม่ออกลุกไม่ขึ้นพยายามปลุกยายที่นอนอยู่ข้างๆให้ตื่นแต่ยายก็นอนอยู่แบบไม่รู้สึกตัวตอนนั้นปานเห็นผู้ชายตัวโตวจ้องเขม็งมาที่เธอ มันทำให้ปานกลัวมากถึงแม้ว่าในตอนนั้นจะไร้ซึ่งเรียวแรงแต่ปานก็พยายามใช้แรงทั้งหมดที่ยังคงเหลืออยู่บอกกับร่างนั้นไปว่าถ้าอยากให้ทำบุญไปก็ได้นะพรุ่งนี้หนูจะทำให้หนูกลัวแล้วแต่ร่างนั้นกลับบอกว่ากูไม่ต้องการกูต้องการวิญญาณของมึง ปานตกใจร้องกรีดรันป่า ก, ก็พูดซ้ำไปซ้ำ ม, มาว่ากลัวแล้วปล่อยหนูไปเถอะสักพักปานก็รู้สึกตัวเหมือนกับหลุดจากพันธนาการบางอย่างได้ก็เห็นยายนั่งจับตัวปานอยู่และมองมาเมื่อปานลืมตา ม, มาเห็นยายเธอก็ร้องไหย้ยายบอกว่าเห็นปานหายใจหอบมากยายตกใจนึกว่าปานไม่สบาย จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ยายฟังวันรุ่งขึ้นยายจึงพาป่านไปทําบุญที่วัดและหลวงพ่อก็ได้มอบพ้าไว้ให้กับป่านป่านจึงแขวนผ้าเส้นนั้นไว้ที่คอโดยตลอดหลังจากนั้นก็ไม่เจอเรื่องหน้าคนลุกอีกจนถึงตอนนี้ป่านก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าทําไมร่างนั้นถึงคอยตามและต้องการวิญ ญ, ญาณของเธอ ส, สัมัซสยอง